วันนี้เป็นวันที่9กลากมพาพันพธุจักราช2554ัองค์งหลวงตาของเราละสังขารเมื่อวันที่30มกราพุทธจักราช2554ัเวลาตี3 53นาทีวันนี้นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา11วันนานของพวกเราก็รู้สึกว่าราพรื้นไหลรื่นไปเรื่อยๆ เรื่องเมนก็ไม่มีปัญหามีปัญหากระตรงที่เรายังจัดสถานที่ผู้ที่เข้ามาพักในวัดหรือศาลาใหญ่พวกเรายังเคลียร์ยังไม่จบแต่ก็พยายามจะทำให้ทันวันที่12วันที่12อวันที่12กลองกรุาเป็นวันทำบุญปทาเข้าเปลือกของพวกเราเหมือนกับองค์หลวงตาพาธรรม วันนั้นขอประกาศให้คณะทายาิโยมทุกโมลาที่เคยทําบุญกระองค์หลวงตาทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เป็นวันที่12กันยาช2554เป็นวันรวมทำบุญประทายเข้าเปลือกประจําปีที่องค์หลวงตาพาดำเนินมาทุกปีวันนั้นขอประกาศให้คณะทายาติโยมลูกหลานทุกท่านที่อยู่ห่างไกลให้รับรู้รับทราบผู้ที่จะมาร่วม ทำบุญกับองค์หลวงตาปีนี้ก็ในมน์หรือเชิญมาได้ตามวันและเวลาส่วนกําหนดที่จะพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงตานั้นก็คิดว่าก็คงจะได้รับทราบโดยเร็ ว, เ ร, วเร็ววันนี้แหละคงจะไม่นานแต่เดี๋ยวนี้ยังนะยังไม่มียังไม่มีหมายกําหนดทางเบื้องบนลงมาเพราะนั้นพวกเราต้องรอคอยกันอยู่ ท่าหาว่าได้รับทราบเมื่ อ, อไรอกระผมเองหรืออัตมาภาพหลวงพ่อจะแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันโดยเร็วด้วยท่าหาว่ายังไม่มีอะไรก็พวกเราก็ทํางานไปเรื่อยๆแต่ก็ขอย้ำขอขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่กระผมหรืออัตมาภาพได้พูดได้กล่าว พอเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเราเป็นร่มโพร่มไทรบัตรนี้ท่านได้จากไปแล้วพวกเราลูกหลานทุกคนเข้ามาทุกหัวใจก็ควรจะแสดงความกตันยูกะตะเวที่ตาสิ่งไหนที่มันดีแล้วก็ควรคิดสิ่งนั้นและก็ควรช่วยกันทําสิ่งนั้นและก็ช่วยกันพูดสิ่งนั้น เ, เพื่อให้เป็นในทางที่ดีเพราะหลวงตาของเราสั่งสอนพวกเราสั่งสอนในทางที่ดีเพราะนั้นขอกระผมเองขอฝาก ไว้กับคณะชาต ญ, ญาติโยมลูกหลาน ท, ทุกทุกทุกท่านด้วยเนอะให้เป็นคนดีสรุปแล้ว